ขอความสุขความเจริญจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้คงพูดเรื่องระสาล่บุตรเทระกับสัตวิหาริกของท่านคำว่าสัตวิหาริกนั้นแสดงว่าพระสาล่บุตรเป็นอุปชายยะพ่สุรูปนั้นเทระบวชให้ จึงเรียกว่าสติวิริยแปลว่าผู้อยู่ร่วมกับปุชายะหากว่าเป็นอาจารย์กสิทธ์เขาเรียกว่าอันเทวสิทก็แปลความหมายอย่างเดียวกันก็คืออยู่ร่วมกันตามปกติแล้วพระเถระก็มีสติวิริกเยอะ แล้วผมจะมีหลายรุ่นแต่ว่าในที่นี้ก็ผู้เจ้าทรงประรสบสติวริคของพระสารีบุตรเทระซึ่งเป็นบุตรของนายช่างทองเมื่อบวชมาแล้วนั้นพระเถระก็เห็นว่าเธอเป็นหนุ่มและรูปหลอก็คงจะพอใจติดใจในสิ่งที่สวยงาม ก็พยายามสอนกรรมฐานประเภ ท, ทเรียกว่า ส, สุภากรรมฐานคือให้มองร่างกายเป็นต้นว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกดยประการต่างๆเป็นสอนในพิจนาการแยกออกเป็นอาการสาสอง คือผงขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปวามหัวใจตับพังผืไดไตปอดไา้ใหญ่ไายน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นต้นพิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการไหลเข้าไหลออกโดยการชุ่มแช่ด้วยบุพ โ, โลหิตต่าง เราก็เห็นกันชัดเจนวงกายว่าร่างกายเรานี้เป็นของปฏิญูนและเกิดเกิดมาวันหนึ่งต้องชรสสาระแสงเขาเรียกว่าส ร, รีรกิจคือกิจที่จะต้องทำที่เกี่ยวกับส ร, รีระก็คือชาระล้างนั่นเองมีการขัดสีฉวิวันณตกแต่งกันด้วยประการต่าง คนที่ต้องการความสวยงามแล้วก็คงไม่หยุดอยู่เฉพาะตรงนั้นก็ต้องหาเครื่องสำอางมาช่วยเหลือเสริมอีกเป็นอันมากจะถามว่าทําไปไ ป, ไปเพื่ออะไรก็ตอบว่าเพื่อจะกรบเกลื่อนความปฏิกูลไม่ให้ปรากฏเร็วเกินไปนคนประเภท น, นี้ไปไหนมาไหนก็ต้องพกเครื่องเสริมสวยไปด้วย แล้วก็สวจสอบโดยเฉพาะใบหน้าอยู่เสมอก็พยายามเสริมเติมตกแต่งไปเรื่อยๆทำกันอย่างนี้ตลอดชีวิตหรือเป็นงั้นก็พิจารณาแยกกายออกเป็นส่วนๆเป็นสี่ส่วนตามธาตุสี่แยกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศ ลักษณะใดาที่แข็งข็งซึ่งปรากฏอยู่ในร่างกายนี้นี่ผมขนเล็อดฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้มกามหัวใจตับผังผืดไต่ตอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หางเก่าตลอดถึงมันสมองก็ถือว่าเป็นการเกาะกลุ่มของธาตุดินลักษณะใดาที่เ อ, อบิบอาบซึมซาบไหลมาไปไปไหนมาไหนได้ อยู่ในร่างกายของเราเช่นน้ำลายน้ำเหงือ่อน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำเหลืองมันเหลวมันข้นเร็วมันแต่ละอย่างนั้นก็เป็นธาตุน้ำลักษณะใดาที่พัดผ่านได้ ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลมเบื้องต่ําลมในท้องลมหายใจลมตามตัวก็เรียกว่าธาตุลมลักษณะใดาที่ทํากายอบุญทํากายให้กระบุญกระวายผ่าวาหารให้ย่อยตัวเรียกว่าธาตุไฟแล้วจริงร่างกายเราก็ประกอบด้วยธาตุคือดินน้ําลมไฟ จะยังมีอากาศกับวิญญาณอย่างแต่ว่าอากาศนั้นตอนต้นๆก็ไม่ได้มีการสั่งสอนกันก็จะสั่งสอนในช่วงที่ได้บรรลุเจตุทะฌานไปแล้วแล้วก็จะเรียอรูปฌานท่านก็จะสั่งสอนเรื่องอากาศแล้วก็สอนเรื่องวิญญาณมองย่อยจนเห็น สิ่งทั้งหลายมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นและจนเห็นว่าจะมีอยู่ก็ไม่ใช่จะไม่มีอยู่ก็ไม่เชิงก็เป็นความประณีตของจิตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงก็นำไปศึกษาซากศพในรูปแบบต่างๆตามป่าช้าต่างๆซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยมีการทิ้งศพไปในป่าชา้าก็เรียกว่าป่าช้าผีดิก มันมีศาสนาศา ส, สนาหนึ่งคือศาสนาเปอร์เซียหรือเรียกว่าโซโลวัเตอร์เนี่ยเวลาคนตายนี่ก็เรียกว่าศพจมงอุดุลอยู่เลยเขาก็นำไปทิ้ง่ส่วนใหญ่ก็ทิ้งตามป่าชา้าตามภูเขาในที่ต่างๆและอิหร่านก็จะจัดการกรับชิ้นส่วนเหล่านั้น จากนั้นก็อาจจะเป็นสุนัขเป็นอะไรต่อไมอะไรเข้ามาจิกกินเข้ามากัดกินรูปแบบของโครงสร้างศพแต่ละสพมันก็แตกต่างกันตามความเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของสัตว์อื่นจากการเวลาที่ผ่านไปชาวพิษุก็นำไปพินิษพิจารณา ถึงกรรมพิธีการพิจารณาซ ศ, ศพเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าอย่างไรอย่างไรมนุษย์เราก็ลึกๆ ก, ก็กลัวผีนะจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมีคนรับรู้จะต้องแจ้งหัวหน้าหมู่บ้านในสักหคือผู้ใหญ่บ้านในรักต้องแจ้งคนรษา ป, ปาชาให้ทราบ อาจจะไปรูปเดียวก็ได้ถ้ากระหารพออาจจะไปหลายรูปก็ได้แต่ว่าก ร, ก, กระจายกันพิจารณาใครถนัดจะพิจารณาศพในรูปแบบใดก็พิจารณาอย่างนั้นตอนพิกูุรูปนี้ลูกศิษย์สานิบุตรคนเนี่ยองเนี่ยปรากฏรมไม่ถูกกับท่าน คือท่านพิจารณาแล้วรู้สึกขยะขยงรังเกยียดเบื่อหน่ายพยายามบาเพ็ญเพียร อ, อยู่ต่อเนื่องถึงสี่เดือนนะไม่ได้อะไรเลยคือรู้สึกระอาชิงสร้างรังเกยียดขยะขยงจนถึงขลื น, นนะเหอหน้าเจียนไปทีเดียวก็แสดงว่าไม่ได้ผลกรรมฐานนี้ไม่ได้ผล ทีนี้ภาษาดิบุตรเนี่ยมาก็เรียกว่าสุดยอดของอาจารย์แล้วสอนลูกศิษย์ไม่สำเร็จแล้วไม่ใช่รูปเดียวนะที่จะมีอยู่หลายรูปที่ท่านสอนไม่สำเร็จวันประเทเรซจึงนำไปเา้าประพุทธจักกราบคูณเล่าวความเป็นมาทั้งหมดให้ทราบ พู้เจ้าก็ทรงนิรมิตรเป็นดอกบัวสีทองคําเป็นดอกบัวทองคําสวยงามมากวิจิตพิสดารมากและวพิสูรรูปนั้นนั่งเพ่งดูพอเพ่งดูเนี่ยท่านเป็นช่างมาก่อนท่านเป็นเป็นลูกช่างทองคือมีความในการมีความชํานาญในการทําทอง แล้วก็เปลี่ยนแปลงทองไปในรูปแบบต่างๆพอมาเห็นฝีมือที่สวยงามประณีตขึ้นเนี่ยสติท่านก็ตั้งมัน่นประลึกอยู่ที่ดอกบัวทองคำนั่นแหละแล้วก็ตื่นเต้นกับความมีจิตสวยงามซาบซึ้งตื่นตาไายในใจของท่าน ที่ได้เห็นงานศิลปะที่ประณีตอย่างนี้จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ส่งบันดาลด้วยฤทธิ์ให้ดอกบัวเริ่มเหี่ยวเหี่ยวไปเรื่อยท่านก็รู้สึกสลดใจปัญญามันพลิกกลับมาพิจารณาโอ้ดอกบัวซึ่งสวยงามวิจิตรพิสดารอย่างนี้ก็ยังเหี่ยวเฉาโร ย, โร ย, โ, รยโรยราไปในที่สุด พอถึงจุดหนึ่งก็เอกรีต่างๆมันค่อยๆร่วงตามธรรมดาของดอกบัวนะก็ค่อยร่วงๆไปทีเดียวเมื่อท่านเห็นดอกบัวเศอ้ามองก็พิจารณาจึงกำหนดอาศัยอุปธินกกากะสังขารคือสังขารที่มีใจครองก็สิ่งมีชีวิตตัต้งหลาย แล้วก็ไปพิจารณาเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะขนาดดอกบัวสวยงามขนาดนี้ยังรักษาสภาพเรืองตัวเองไว้ไม่ได้แล้วนับประสาอะไรกับชีพซึ่งท่านก็เห็นว่ามันมีความปฏิกูลอยู่ในตัวของมันแล้วสังขารที่มีใจคลอง ตามปกติแล้วมีอิทธิพลเหลือใจคนอยู่เป็นนั้นมากก็คือชีวิตนั่นเองสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนมากดังนั้นเมื่อท่านพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปในที่สุดก็เห็นความไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนแม้แต่ดอกบัวก็เหี่ยวเฉาร่วงโรยไป ดอกไม้สวยๆนี่นะพระใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานและบรรลุมรรคผลได้เยอะสำคัญว่าท่านคิดยังไงคือคนเรามันมีภูมิหลังอยู่เบื้องหลังชีวิตอย่างหนึ่งเรียกว่าจริตอัธยาศัยวาสนาบา ร, รมีต่างๆ โดยเฉพาะเอกจริตกาทยาใสัยนี่มันอยู่ลึกแล้วก็กลายเป็นปุกลิกภาพกลายเป็นลักษณะนิสัยของคนจนคนราคะจริตเนี่ยจะต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ประนีตบรรจงกติใจในพวกศีลทั้งหลายเนี่ย ผู้สิ่งที่กำหนวดว่าสวยงามทั้งหลายเดีวมันติดมันติดแรงนะฮะผูราคานี่ติดแล้วก็ติดแรงเลยติดจนยากที่จะถอนคลายได้แม้สิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงแปรป ร, ปรวนไปจนเห็นชัดเจนแต่ว่าใจมันไม่ยอนรับใจมันต่อต้านเนะ่ยมันยังรู้สึกว่าสวยอยู่เงี้ยเนี ทีนี้ภะษาริบุตรเนี่ยท่านมองท่านมองว่าเด็กนุ่มๆอย่างนี้ก็ต้องราคะจริตอย่างน่าอสุภาษกรรมฐานซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อราคะจริตแต่พระพุทธเจ้าก็พลิกกลับไปเป็นแนวของกสินคือเพ่งดอกบัวซึ่งกลเป็นสีทองนะก็เพ่งที่สี เพีงที่กรีเพิยงทายายก็ตามก็สรุปว่าเป็นแนวในทางกสิณท่านจึงพิจารณาได้สำเร็จทีนี้คนบางคนมันเป็นโทสะชนิดพวกนี้กระปับประเฉงว่องไวปราเปรียวปวกง่ายช่วงฉ่โครงมครามซึ่งจะเป็นจะต้องปลูกฝังใจให้มากโดยเมตตาต่อคนทั้งหลาย ต่อคนโทอสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าจิตใจที่มีโทสะมันเป็นจิตใจที่แข็งกร้าวพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแะ่ถ้าทำจิตใ่อ่อนโยนโดยเมตตามีความรู้สึกเป็นมิตรเมตรีกับบุคคลทั้งหลายคนกรรมาฐานที่เหมาะสมกับ ค, คนประเภทนี้ก็คือพวกภูมิหารเนี่ยก็เหมาะสมกับเขา ทีนี้บางคนเป็นโมหะจดิตโมหะจดีตตามปกติแล้วจะมีความเครือบแคลงสงสัยจะมีความฟุ้งซ่านอยู่ภายในใจกำกับยากควบคุมยากรักษายากห้ามยากจิตมันพล่านเล่นพล่านไปเรื่อยเครื่ อ, อกรรมฐานที่เหมาะสมับเขาก็คืออนาปานสติ การตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายอยู่ที่ลรหายใจเข้าออกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสูตรเนี่ยทรงใช้คําว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวเหงือใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาว หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกสั้นแต่ว่าในการต่อมาครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะปฏิบัติพรุดเดียวไปอยู่ตรงนั้นได้ท่านเลยก็คิดวิธีวิธีคล้ายๆก็เป็นขอนรองเหยียบขึ้นไปบันไดมันสูงไป เด็กมันปีนฝ่ายขึ้นไปไม่ได้ก็สร้างขอนรองเหยียบขึ้นไปก็กลายเป็นการนับลูกประคำบ้างกลายเป็นการนับลมหายใจเข้าออกบ้างกลายเป็นภาวนาพุโทโธบ้างบางคนก็ใช้คำว่าพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสาพุโทโธสี่พุโทโธห พุทโธหพุทโธสองพุทโธามพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธหกแล้วก็ไปเรื่อยๆนะฮจนถึงสิบแล้วกลับมาตั้งจงิตหนึ่งพาทีก็ดูเฉพาะที่จุดซึ่งลมกระทบตั้งหายใจเข้าและหายใจออกบาทีก็ตามลมเข้าไปทั้งช่วงเข้าและช่วงออกอันนี้มีวิธีเยอะนะฮะมีวิธีเยอะ แา่แสดงไว้พิสดารในวิสุทธิมรรคเป็นคำพีวิสุทธิมรรคมันไม่ใช่พระบาลีพุทธวจนะหรอกแต่อาศัยในยะแห่งพระบาลีพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่อื่นๆเพราะว่าปริยายในการสอนกรรมฐานของพระพุทธเจ้า วิจิตพิสดารจนสุดที่จะนับได้ว่ามันมีความหลากหลายในเชิงกรรมวิธีอย่างไรบ้างอย่างในกรณีของพระประยุรญาติฝ่ายโกริยะและศักกยาฝ่ายละสองร้าสิบูปได้ออกบวชพร้อมกันเพราะสำนึกถึงสัญญาในอดีต ที่ท่านเหล่านั้นได้ให้สัญญาไว้ว่าถ้าเจ้าชายธิตถาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะเป็นข้าราชบริพารสนองงานของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าเจ้าชายธิตถะเสด็จออกกระนูดก็ขอบวชตามนั้นเป็นเหตุเป็นเหุผลอย่างหนึ่งถึงตือว่าสําคัญมันเป็นสัจจะปฏิญาณแต่ว่าตัวกระตุ้นแรงนี่คือตอนที่ ราชวงศ์ทั้งสองแยกน้ำในแม่น้ำโรฮินีกันและรูพุทเจ้าเสด็จไปให้เหตุผลให้ความคิดคือไม่ถึงก็ห้ามต้อ ง, องๆหรอกแต่ให้ความคิดคือให้พระญาติช่วยกันคิดลงกระตั้งประเด็นปัญหาหคิดหนึ่งสองสามสี่ว่าไปเร็่ยพระญาติเหล่าัดนก็ยอม แล้วก็สํำนึกว่าความสูญเสียต่างๆที่น่าจะเกิดเนี่ยมันไม่เกิดก็เพราะอาศัยอนุภาพของพระพุทธเจา้ามอพระเจ้ า, ารดฝ่ายละสองรอยห้าสิบให้ออกบวชตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าหมาวันในกรุงราชคฤห์นั่นในใ น, ใ น, ใ, น, ใ, น, ใ, นในกรุงกบิลพัส์นัน เสร็จแล้วก็นําท่านเหล่านั้นเข้าไปสู่ป่าเรียกมาทีละรูปให้กรรมฐานทีละรูปแล้วก็ให้แยกย้ายกันไปนั่งปฏิบัติกรรมฐานโคส่งให้กรรมฐานแก่รูปที่ห้าร้อยนี่ยรูปที่หนึ่งบรรลุแล้วรูปที่หนึ่งมาต้องการจะกราบทูลลาพระพุทธเจ้าเือเพื่อไป สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้สัมผัสผลอย่างที่ท่านสัมผัสด้วยยัไม่ได้ท่านกราบทูลลาหรอกองที่สองเขมาใชก่อนองค์ที่สองขยับจะกราบทูลองค์ที่สามก็มาองค์ที่สี่ก็มาตกลงมาพร้อมกันห้าร้อยมาต่อต่อนเนื่องกันทั้งห้าร้อยไม่มีใครได้ถูลเลยแต่รู้จักก็รู้แล้ว่นะ เป็นเหตุให้มีการประชุมใหญ่ที่เราเรียกว่ามาหาสมัยคือเป็นการประชุมใหญ่เพราะว่าแต่เทียบแล้วพระพุทธเจ้าก็เหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิภิกษุที่เป็นกษัตริย์เหล่านั้นก็เหมือนกษัตริย์ในประเทศต่ตางๆห้าร้อยประเทศไปกันมาเป็นบริวารของพระองค์ธรรมเทศนาในคราวนั้นก็น่าสนใจ มีหลักรานสาคัญสาคัญอยู่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของเทวดาที่มาร่วมประชุมด้วยนี่เราจะเห็นว่าไอ้กรรมฐานห้าร้อยที่ว่านี่อะไรบ้างเพราะว่ากรรมฐานที่ทรงสอนที่เป็นสมถะกรรมฐานที่เราศึกษากันในปัจจุบันก็มีสี่สิบอารมณ์ วิปัสนากรรมฐานที่จริงมันมีอยู่หกกลุ่มแต่ว่านับหนึ่งเนี่ยนับรายละเอียดนับเรียงเลยเรียงลำดับก็มีเจ็ดสิบเอ็ดแต่นั้นเดียวเจ็ดสิบเก็ไม่ถึงสองร้อยร้อยกว่ากว่าแต่นี่ตั้งห้าร้อยอ่ะก็แสดงว่าคล้ายๆกับอุประเทศแห่งม น, นุคือมนุบทเดียวแต่มีอุประเทศแตกต่างกัน มีลัการในการศึกษาในการภาวนาในการใช้สอยแตกต่างกันออกไปร่ากรรมฐานส่วนใหญ่จึงอนุโลนตามจริตแต่จากตัวอย่างนี้เราเห็นว่าไม่ใช่ข้อยุติละไม่ใช่ข้อยุติละเพราะภิกษุรูปหล่อยังหนุ่มแล้วก็เป็นบุตรนายช่างทองซึ่งมีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวย ก็อยู่ในใบเตยเบิกบานสนุสนานกันตามวิสัยของเด็กหนุ่มก็น่าจะติดใจพอใจในสิ่งสวยงามแต่เรากล่วไม่ไปใจมันต้านนะใจมันต่อต้านตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นมันมีปัจจัยเสริมที่เราเรียกว่าสัมปชัญญะ ปัจเจยเสริมหลักๆที่เรียกว่าสัมมัจจญญาเนี่ยก็คือหนึ่งศัตกะสัมมัจจรญามีความชัดเจนว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์โดยใจตัวเองคนอื่นบางทีมันก็ไม่แน่แต่การกับหมอที่วางยาผิด ก็วางยาโดยสุจริตใจนั่นแหละแต่ว่าพอดีบุคคลคนป่วยคนนั้นแพ้ยาชนิดนั้นรักษาไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ผลโรคอาจจะกำเริบขึ้นหรือว่าต้องเปลี่ยนยากนการให้กรรมบาม น, นก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่คนที่จะชัดเจนก็คือว่าเราเอง คนป่วยเองจะชัดเจนว่ายานี้ถูกกับเราหรือไม่ถูกกับเราเจดวกรรมฐานพอเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยเจดวะภาพภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็ตามสักเรื่องหนึ่งข้อนี้ใจสงบไปรเร็วแล้วเรารู้สึกโปร่งเบาสบายใจมันสละสลวยใจได้คือแสดงว่า นสัปปายะสำหรับเราเป็นประโยชน์สำหรับเราประการต่อไปคือโคลเจรัสมะชัญญาเป็นสถานที่ที่เราจะไปควรไปหรือไม่ควรไปอารมณ์ที่เราควรคิดหรือไม่ควรคิดตรนี้ก็มีอิทธิพล หมายความว่าถ้าตอนกลางวันเราไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่ก่อเกิดความยินดียินร้ายมากเนี่ยพอเรานั่งกรรมาฐานแล้วไม่ได้เรื่องใจมันจะแวบไปที่อารมณ์ซึ่งผ่านมาตอนกลางวันก็แสดงว่าสถานที่นั้นเราไม่ควรไปอารมณ์เช่นนั้นเราไม่ควรจิดพอคิดไปก็จะมีปัญหา การต่อไปก็คือสัพปายะสัมชัญญาพวะนั้นเกื้อกูลต่อความสบายเวลาจเจริญกรรมาฐานที่อยู่สบายอาหารสบายอากาศสบายอารมณ์สบายบุคคลสบายธรรมะสบายหลายๆเรื่องนะ ให้ลองสังเองดูว่าเรานั่งกรรมาฐานแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่อาบน้ํามารู้สึกคันตัวใจไม่จะไปอยู่กับคันตัวนั่นแหละรู้สึกเหนียวตัวรู้สึกเงินอ่ะเราไม่สามารถที่จะทําใจสงบได้นอกจากไปอาบน้ำอาบผ่าชาระสะาสางร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยเสียก่อน ยังพระเทศหรือสวดปฏิโมกก็เหมือนกันก่อนจะเทศเนี่ยต้องอาบน้ำอาบท้าให้สะอาดก่อนจะสวดปฏิโมกขเนี่ยต้องอาบน้ําอาบผ้า ب, ให้สะอาดก่อนจะสวดนาคต้อาบน้ําอาบผาให้สะอาดก่อนจะเป็นอุปชายะอาจารย์เนี่ยต้องทําต้องชำระร่างกายให้สะอาดอันนี้เป็นหลักปฏิบัติ เพราะถ้าไม่อย่างนั้นใจเราวอกแวกไปเดี๋ยวคันตรงนี้คันตรงโน้นคันตรงนั้นใจไม่สงบใจไม่นิ่งเพราะแต่ละอย่างเนี่ยอาหารมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเสนาสนะประณีตเกินไปก็ไม่ดีหยาบเกินไปก็ไม่ดีเพมเป็นประธาด้วยกันทั้งนั้น แต่ประณีตเกินไปอย่างเนี้ยอย่างศีลข้ออุจจารัเสยนามหมาศสยนาเนี่ยคืองดเว้นการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำมฤกษ์เครื่องลาดวิจิตงดงามเพราะถ้าเรานอนในสถานที่นั้นมันจะติดสุขจากการนอนและจินตนาการมันจะเตลิดไปสู่กามคุณ อาหารมากเกินไปก็จะง่วงนอนแล้วก็เกิดเป็นกรรมฉันอาหารน้อยเกินไปก็จะเกิดกุกุจะคือรำคาญตัวเองหมุดหิดแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดโทสะคือฉุนเฉียวโมโหหิวเกิดขึ้นอันนี้มันต้องสร้างความพร้อมเยอะ แลที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมว่าไม่หลงคือถูกต้องเข้าใจได้ถูกต้องมีความชัดเ จ, น, จนแจ้งในเรื่องเหล่านั้นเพราะในกรณีของภิกษุรูปนี้เราจึงเห็นว่าธรรมะเนี่ยตัวอารมณ์เนี่ยตัวอารมณ์ที่ให้ พิจเนตพิจนานั้นไม่สับายาสำหรับท่านไม่สบายสำหรับท่านไม่ถูกอัตยาใส่ท่านเพราะนั้นท่านจึงทำไม่ได้แต่พอดูดอกบัวทองคำที่พระพุทธเจ้าส่งหรมิดขึ้นก็ระยะสั้นๆจนะิตใจท่านรวมแล้วเป็นสมาธิแล้ว พอดอกโบเริ่มเหี่ยวปัญญาก็ผุดขึ้นตามหน้าที่พิจารณากำหนดเทียบผูปาทิตนากะสังขารทั้งหลายหลายความสังขารที่มีใจครองทั้งหลายจะเป็นภูเขาต้นไม้จะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งจะเป็นสุนัขเ อ, อ่อไม่รู้แหละมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างที่ดอกไม้เปลี่ยนแปลง ในสุดก็เห็นความไม่เทีย่ยงที่เรียกว่าอนาิจจตาคือความเป็นของไม่เทีย่ยงความเป็นของไม่เทีย่ยงนั้นมีทั้งแก่สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและปะนมามรรธรรมยเว้นนิพานฮะตอนนิพานเทีย่ยงเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ระดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทีนี้ถ้าสติปัญญาเราแจมา่มใสจริงจริงเราเห็นนะฮะความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ที่ที่ยิบเนี่ยแต่ถ้าสติปัญญายัางไม่แหลมโคมก็เห็นไม่ได้นอกจากเห็นด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเต้นด้วยตาปัญญาเนี่ยมันเห็นไม่ได้ยังยังยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะเห็น เพราะว่ามีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่ได้เพียงขณะขณะขณะขณะขณะต่อกันแล้วขัดแย้งกับความรู้สึกที่ว่าเที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็ตามที่เราเข้าใจว่าเที่ยงแท้แน่นอนนั้นที่จริงมันไม่มี มันมีแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ยต่อไปแต่เพียงแต่ต่อเนื่องเป็นสันตติคือมันสืบเนื่องกันไปจนดูไม่ทันเราก็นึกว่ามันเป็นของเที่ยงอยู่เป็นอย่างนั้นจริงๆมันเปลี่ยนแปลงในภายในในแต่ละขณะอยู่ตลอดจากนั้นก็เห็นทุกขตาคือความเป็นทุกข เพราะว่าดอกบัวดอกเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในความคิดของท่านว่าต้องมีคนทําอ่ะต้องมีช่างทำเพราะมาณวิจิตพิสดารเหลือเกินพ่อที่บ้านยังทําไม่ได้เลยตัวท่า น, น, นทําไม่ได้แน่แล้วแต่ว่าพ่อซึ่งเป็นนายช่างทองใหญ่ก็ทําไม่ได้แต่กลับคงอยู่ในสภาพเดิมที่สวยงามอย่างแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ เพราะว่าถูกแผดเผาจากปัจจัยภายในคืออนู ย, อย่อยๆที่ประกอบกันเป็นกลีบบัวก้านบัวใบบัวดอกบัวเนี่ยแล้วก็มีความเร่าร้อนเกิดขึ้นจาก น, นก็เห็นถึงความเป็นอนัตตาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตานะเห็นตามไปเลย เพราะใดเพราะหนึ่งบังคับควบคุมไม่อยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วมันหิวก็มันเรื่อยมันเสาก็มันเรื่อยมันร่วงโรยก็มันเรื่อยแล้วมันหมดสภาพความไปดอกบัวที่สวยงามไปเรื่อยเราสั่งการเราบอกให้หยุดบอกให้กลับเป็นดอกบัวสวยเหมือนเดิมเราก็ทําไม่ได้เพราะมัน สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจึงตรงกันข้ามกับความเชื่อเรื่องอัตตาถาวรตัวตนี่ถาวรแท้แท้ ย, ยั่งยืนตามความเชื่อในาศาสน า, าพราหมณ์เปตินตแล้วพอย่อยข้าจริงมันไม่มีดอกปัวนะเดาดูเป็นการรวมของอนุเล็กๆซึ่งมองด้วยตาไม่เห็น แล้วก็กลายเป็นกรีบกลายเป็นกา้างกลายเป็นอะไรขึ้นมาที่จริงก็เป็นธุลีเล็กๆที่เรามองเห็นด้วยตาไม่ได้เดยซ้ำไปตอนเวลามันกลับคืนสภาพของมันมันก็เป็นอย่างนั้นย่อยไปเรื่อยๆย่อยไปเรื่อยๆคล้ายๆกับอะไรล่ะเอาทองก็ได้เอาเหล็กก็ได้นะเอาอะไรก็ได้ ที่เราตะใ บ, บไปเรื่อยๆนะฮะถูด้วยตะใบไปเรื่อยๆเดิมทีเดียวมันก็มาอย่างนั้นแหละมันกาะกลุมกันอย่างนั้นแหละพอเราตะใ บ, บออกมันก็กลับไปสู่สาภาพเดิมคือเป็นผงทุลีเหมือนเดิมเราตะใ บ, บออกไปแล้วก็ไปตามให้แหลกไปเอีจนถึงก็เผาไฟไปเลย ก็ถูกผอมหลอมละลายไปเลยหาความเป็นทองหาความเป็นเหล็กอีกไม่ได้เออสังขารร่างกายมันก็เป็นเข้ามาในเงิ น, ง น, นในที่สุดมันก็กลายเป็นสุญญาตาคือศูนย์คือว่างว่างจากความเป็นของเราว่างจากความเป็นเราว่างจากความเป็นตัวตนของเรา แล้วก็จริงเราก็ไม่เป็นเจ้าของอะไรจริงมันก็ไม่เป็นของเราจริงเราก็ไม่เป็นเจ้าของมันจริงก็จริงในแง่ของสมมติอ่ะโดยตระหนา่วบาทานที่สร้างขึ้นยึดขึ้นมันก็เป็นของเราท้า่งั้นมันก็ไม่เป็นของเราเพราะจริงๆมันไม่เป็นของเราถึงแม้จะเป็นของเราอยู่สักขณะหนึ่งใช้สักรยนหนึ่งในสุดมันก็ไม่เป็นของเรา เต้นได้ง่ายนี่คล้ายๆกับเงินทองที่คนไปจ่ายของในตลาดเนี่ยคือถ้าเราตามดูเงินที่เราจ่ายให้แก่เจ้าของสินค้าแต่ตามดูว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะเห็นว่าในที่สุดมันก็เอาเป็นเครื่องถอนคนอื่นตอนคนอื่นคน น, ค น, น, ค น, นั้นพอ พอได้ไปแล้วก็ไปซื้อของซื้อของก็ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งเอาคนหนึ่งก็ทอนต่อไปเรื่อยๆมันเดินทางไปเห็นกันจากจเลยว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของของมันจริงๆมันไม่ได้เป็นของเราจริงๆเพรานการที่คนบ่นเพ้อไปว่านั้นของเราของเราเป็นญาติของเราพี่น้องของเรามิตรสหายของเราสามีพันยาของเราอะไรก็ของเราของเรา เอาก็จริงตัวของเรายังไม่เป็นของเราเลยแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรพระผู้มีพระรภาคเจ้าทรงพิจนารณาดูจิตของเธอไปโดยลำดับแล้วก็ทรงเปล่งพระโอภาษตไปดูดประทับในที่เฉพาะหน้าแล้วก็ตัดพระคาถานะตัดพระคาถา ว่าท่านจงถอนเยื่อใหญ่ของตนเสียความเยื่อใยความสินเน่งหหาความผูกพันในความสวยงามของดอกบัวประเฉพาะดอกบัวก่อนเพราะว่าท่านเทียบอุปทินกาสังขารทั้งหมดแล้วมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ตอนเราเรียนเราเรียนจากอะไรก็ได้ เรียนจากใบไม้สักใบหนึ่งจากดอกไม้สักดอกหนึ่งจากแกงสักช้อนหนึ่งก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างที่เราพุทเจ้าเรียนเราก็เห็นว่าก็อย่างนั้นนี่ยก็เรียนจากคนแก่คนเจ็บคนตายเรียนจากส ม, มณะเรียนจากท่อนไม้สามท่อนเรียนจากเสียงพินบาลปัตต์เนี่ยมันมันเป็นเป็นกระบวนการของธรรมะ ที่มีเราเห็นอยู่ตลอดตอะเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็ไม่เป็นการสมควรที่จะยึดถือว่าไว้สิ่งนั้นของเราหรือเราเป็นนั้นเป็นนี้หรือเป็นตัวเป็นตนของเรา เพราะว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรจริงๆแม้แต่ตัวตนก็ตัวเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของตอนเองเมื่อเกิดเป็นกระบวนการขับเคลื่อนของจิเล็ก ก, กรรมบิดาครรับสั่งว่าเตอจงถอนเยื่อใ่ของตนเสียเหมือนคนถอนดอกบัวฉีเกิดในสารัตการด้วยฝ่ามือ หมายความว่าดอกบัวนั้นถ้าไม่ถอนมันก็ติดอยู่ในดินนะมันก็ติดเดิดอย่างนีน้จิตเราของจิตของเราถ้าไม่ถอนราคัตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายมันก็ติดมาในรูปตัณหาสัทธาตัณหากัญธาตัณหารส า, าตัณหาปุระปะตัณหาธรรมตัณหามันก็ติดอยู่อย่างนั้น เห็นไหมอุปมาเขาใกล้ใกล้ใกล้ๆเพราะว่าทรงสอนให้พิจารณาดอกบัวผ่อนก็คือเหมือนกับถอนดอกบัวเพราะสิ่งที่ท่านพอใจชอบใจชื่นชมมากก็คือดอกบัวทองคำก็ให้ถอนอะไรในดอกบัวนั้นแล้วก็เหมือนกับคนที่ถอน ก็บัวขึ้นมาจากสะในสาระกาจงเจริญทางนิพพานถ่ายเดียวเปินใจรักแล้วมันก็แน่นอนแหละมันก็จะเห็นรวบยอดเป็นขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นนาดีก็ดีอนาคตก็ดีเอารูปก็ได้นะดอกบัวนี่เป็นรูป รูปอย่างใดย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประนีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีรูปเหล่านั้นก็สักแต่ว่ารูปไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของเราทีนี้ถ้าเห็นด้วยปัญญาณชอบอย่างนี้จากนั้นจิตก็จะเบื่อหน่าย ในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาเนี่ยประเวณยก็คลายกำหนัดก็คือถอนความเยอะใหญ่ในตัวเองพอคลายกำหนัดจิตก็จพ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณผุดขึ้นมาว่าเราหลุดพ้นแล้วหนึ่ง น, นี้จากนั้นก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าชาตสิ้นแล้วพรมจาร์ีอยู่จบแล้วกิจิควรทาได้ทาเสร็จแล้ว กิดอื่นดีเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีตอนตอนนี้ตัดอะไรทั้งสองทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมุ่งไปสู่นิพพานเพียงอย่างเดียวรับสั่งว่าพระนิพพานอันพระสุคตแสดงแล้วพระสุคตก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะฮะ ทุกคก็คือสุขโตะดำเนินไปดีเป็นการแสดงสั่งสอนจากประสบการณ์คือพระองค์ทรงประสบนิพพานมาก่อนเล้วนำนิพพานเหล่านั้นมาแสดงแก่ภิกษุอีกชิหนึ่งในภิกษุแห่งพระธรรมเทศนา ให้ลองสังเกตว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทานดอกบัวไปแล้วในภิกษุก็ถือดอกบัวไปนั่งเจริญกรรมฐ า, านไม่ใช่เจริญต่อพระพักนะฮะไปเจริญอีกแขงหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อได้ที่สปายาสมาธนพระเจ้าก็ดูจิตของเธอไปเรื่อยตามดูวรจิตของเธอไปเรื่อย เมื่อท่านยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้พิจารณาเห็นอย่างนั้นก็ทรงเน้นย้ำเป็นการเสริมเป็นการเสริมที่เดินที่จริงท่านก็เดินไปถูกทางแล้วนะเป็นการเสริมเพื่อให้มันไม่เบี่ยงเบนออกไปจากข้างนอกและในสุดท่านก็บรรลุมรรผลเป็นประหานไป ภาษาที่บุสอนมาสี่เดือนพี่เจ้าสอนไม่ถึงครึ่งวันปรุมขนผลเป็นราณแล้วนี่คือความยิ่งใหญ่ของสัพพยุตยานที่เราหาคำตอบไม่ได้เพราะว่ามันสุดปัญญาที่จะไปอย่างรู้ ว่าทำไมยินทำได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็บอกพระองค์สัตรุ น, นั้นเองนี่ก็เป็นเรื่องคือไม่ใช่เรื่องภาษาริบุตรโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับภาษาดิบุตรบุคคลตัวนั้นไปเกี่ยวข้องกับภาษาดิบุตรแต่ว่ามันก็เป็นผลงานที่ยึดโยงอยู่กับภาษาดิบุตรนําบุคคลทั้งหลายเป็นอันมากเข้าสู่พระพุทธศาสนา แล้วก็บรรลุมรักผลนิพานไปก็เรียกว่ามากม า, กายก่ายกองชีวิตอนี้เป็นชีวิตที่ควรแก่การศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งสมับสาธุชนเท่าไหร่ต้องฟังท่าไหรเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงคำนี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไัยบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี